ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รูปปัฏฐานในวันนี้คงเป็นการตอบคาถามของครูสอพ อ, อต่อไปครูถามว่าครูทุกวันนี้มุ่งแต่งานส่วนตัวเพื่อมุ่งเข้าสู่แท่งเงินเดือนวงเล็บมุ่งแต่เงินวงเล็บปิดความใจใสเด็กมีน้อยลงมุ่งแต่เอกสารเตรียมสวด บางคนซึ่งมีส่วนน้อยก็ทำจริงแต่บางคนไม่เลยจะมีทางหรือไม่ที่จะแก้ไขจุดนี้ให้ครูหันมาสนใจเด็กให้มากขึ้นให้มีเวลาใกล้ชิดเด็กจิ่งขึ้นและนี้มันอยู่ที่หลักการในการบริหารการศึกษานะหรือถ้าหากว่าเรามองผลสำเร็จอยู่ที่เด็ก ความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมเกิดขึ้นกับเยวาวชนของเราที่เรียกว่าเก่งดีมีความสุขหรือว่าความรู้คู้คุณธรรมก็ตามเนี่ยแล้วก็ถือว่านั้นเนี่ยคือการพิสูจน์ฝีมือของครูครูก็จะปรับปรุงตัวเองในวิธีการสอนการฝึกปลุกอปลการให้การศึกษาแก่เยวาวชนมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันตัวเองก็ต้องพัฒนานะครับ เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องนิรันด์จะไปอยู่อยู่กับที่ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนจะต้องเป็นหนึ่งแต่ไม่ใช่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางนะฮะไอ้นักเรียนในศูนกลางไม่ได้หมายไม่ไม่ทราบหมายความว่าอย่างไงคือที่จริงนั้นจะต้องเอาเนื้อหาวิชานะเป็นศูนย์กลางหรือครูกับนักเรียนเข้าใจตรงกันในเรื่องเดียวกัน แล้วก็ตรงกับหลักการในวิชาการนั้นๆไม่จะตรงกับความคิดของครูหรือตรงกับความเข้าใจของนักเรียนเรี่ยวตรงกับเนื้อหาทางวิชาการในเรื่องเหล่านั้นมันจึงเกิดเป็นความสากลถ้าต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างคิดต่างคนต่างปีความแล้วคงจะน่าดูเหมือนกันไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยยังไงเหมือนกันดังนั้นต้องรู้จักความเหมาะความควรคือ ถ้าจะคิดแบ่งกันเนี่ยหมายความว่าเจ็ดิห้าเอร์เซ็นตให้แก่นักเรียนและยี่ห้าเปอร์เซ็นตก็เพื่อตัวเราปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเราเพื่อมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมแก่การเป็นครูสอนนักเรียนในโอกาสต่อไปตอนอย่างนี้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ฟังได้นะครับรา้าหากว่า ไปมุ่งสู่ครูต้นแบบไปจอาชีพครูอะไรครูมืออาชีพอะไ ร, ต, ะไรต่างๆสำนวนสวินสวายกันเนละถ้าทำอย่างนั้นกันมากในที่สุดมันก็จะไม่ได้ผลทางการศึกษาตามที่เราต้องการก็ต่อไปถามว่าอยากเรียนถามว่าหลวงพ่อมองนอนาคตการศึกษาไทยเป็นยังไง คื อ, อยังนึกว่ามันต้องมีการปฏิรูปมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะนะครับมันก็สอดคล้องกับพื้นฐานทองการศึกษาในส่วนต่างๆของโลกมากยิ่งขึ้นเราะวาคนในโอกาสต่อไปนั้นจะมีความเป็นประชาคมโลกในสูงขึ้นเกกการเรียนในโอกาสต่อไปเนี่ยภาษาของตัวเองภาษา ที่ส่วนกลางภาษาสากลนะฮะภาษาทางอินเทอร์เน็ตภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจําเป็นจะต้องรู้แล้วคนต่อไปแต่บางงานก็ตามก็ไม่ทันก็แน่นอนเราก็มีนักการศึกษาอยู่มากแต่อย่าดื้อรั้นาาตาอัตตาอย่าให้ใหญ่โตเกินไปฟังคนอื่นเข้าบ้า ง, งนะเดี๋ยวก็ช่วยนำํำพาการศึกษาของชาติไปในทิศทางที่ที่เหมาะที่ควรแก่ความจเจริญเติบโตมันก็ เป็นเรื่องที่นั่งยินดีแต่ถ้ใช้อัตราตัวตนนี่มันเคื่องจนใคยพูดอะไรไม่ได้ตัวเองเป็นศูนย์ความถูกต้องอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นเรื่องน่าห่วงเหมือนกันแล้วในที่สุดก็ขัดแย้งกันอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันเี้ก็มีความขัดแย้งกันทุกฝ่ายยังไม่ได้พิสูจน์ทดสอบแต่ก็ไปชี้ผิดชี้ถูกแล้วชี้ผิดชี้ถูกใน่นาคตบัญชีได้อย่างไง ที่ผิดที่ถูกมันต้องเป็นเรื่องอดีตมันต้องทำแล้วพิสูจน์ออกไปแล้วจึงผิดหรือถูกนี่ค่อยว่ากันแต่ที่ผิดที่ถูกอนาคตซึ่งยังไม่ได้ทาเนี่ยมันไมชี้ได้อย่างไงก็คาดหวังเอาไว้นะว่าการศึกษาคงจะดีขึ้นก็ขอให้สมหวังก็แล้วกันก็ต่อไปถามว่า หลวงพ่ออยากให้ทิศทางการศึกษาไทยเป็นยังไงคือการศึกษาเนี่ยกล่าวโดยสรุปว่นะมีความรู้ดีมีความประพฤติดีมีความสามารถดีมีความคิดดีพอมีความรู้ดีมีความคิดดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีไอ้ความรู้ดีความคิดดีความสามารถดีนั้นเป็นผลจากการศึกษาวิชาการต่างๆความประพฤติดีนั้นเป็นหลักการในการครองชีต ความรู้ดีความคิดดีความสามารถดีนั้นเป็นหลักการในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างตนเองสร้างสถานะทางครอบครัวให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ขอสองอย่างนะัตามหลักการที่เป็นพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนคือทงสมบูรณ์วิชาและจจรณะคือมีความรู้ดีมีความประพฤติดัดดงกล่าว เราจะทำยังไงก็ตามให้ผลออกมาอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วก็เราอาจจะพูดว่าเก่งดีมีความสุขหรืออาจจะพูดว่าความรู้ผูค้คุณธรรมหรือว่าวิความรู้ดีความพฤทดีก็คือกันอันเดียวกันหรือจะขยายเป็นความรู้ดีความคิดดีความสามารถดีความประพฤติดีก็ก็คือการนั่นนะมันเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกันไปเป็นเเป็นปัจจัยของการละกันประการต่อไปถามว่า หลวงพ่อมีความพิถีพิถันอย่างไรต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะมีอินเทอร์เนต็ตเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาระหว่างผลดีและผลเสียจะมีแนวโน้มในด้านใดสูงหลวงพ่อเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรคือมันถึงยุคถึงสมัยที่จะต้องเรียนนะ่ะนะจะต้องติดต่อกันทางอินเทอร์เนต็ตแล้วเวลานี้เขาพูดในที่หนึ่งเนี่ยไปถึงห้าสิบกว่าประเทศเพราะระบบอินเทอร์เนต็ตนี่เองแต่ว่า ความพร้อมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแต่การลงทุนก็จํานวนมหาศาลนะนะแต่ปัญหาว่าใช้งานเราจะใช้อะไรกันนักหนาะมันก็น่าจะเป็นผู้ชนานาญการในเรื่องนี้อยู่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองก็แยกกันไปชนานาญการในฝ่ายคนรัฝ่ายกันไม่ใช่ว่าทุกคนคงเล่นอินเทอร์เน็ตได้เป็นหมดเราคงไม่จําเป็นอะไรนะ ผู้บริหารมานั่งกดเล่น Internet อินเทอร์เน็ตจูมันก็ไม่ได้ก็สั่งลูกน้องให้ทำมันเหมาะควรแก่ค่าจ้างค่าอ่อนของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่ามันถึงคราวที่จะต้องเรียนแนวแล้วก็เข้ามาอยู่ในแวดวงว่ากนนารในศานี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นหลักสูตรต้องบังคับ ลางคนทุกคนต้องทําได้นะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรละครหนึ่งที่เขาคอมพิวเตอร์ไปหมดทุกโรงเรียนเนี่ยนะและ้วผลท้ายเนี่ไฟมันก็ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีเราใคอมพิวเตอร์อได้ยังไงแล้วคนก็ยังเล่นคอมพิวเตอร์กันไม่เป็นเยอะผล ท, ท้ายเป็นความศูญเปล่าโดยไม่ได้เกิดสาระประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้น การใช้อินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นแน่นอนแต่ควรจะให้ผู้ชำนาญเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไปชำนาญในกลุ่มอื่นๆกันคนละสายนะไม่มานั่งเล่นอินเทอร์เน็ตกันอย่างเดียวก็คงจะไม่มีความจำเป็นมากมายอะไรถึงขนาดนั้นนะครับก็ต่อไปถามว่าได้ดูโทรทัศน์ โฆษณาเกี่ยวกับวงการศึกษาที่มีภาพเด็กอยู่ในชั้นเรียนและมีหน้าตาเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วเขาก็สรุปว่าให้เลิกการท่องจำคุณครูสอนแบบในโทรทัศน์ถือว่าเชยล้าหลังวงเล็บผู้ที่สอนผู้ที่สอนผู้ที่สอ น, ท, สอนที่ชอบแบบนี้ก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งประหลาดวงเล็บปิ็บ กอกราบมัตการขอเหตุผลจากท่านว่าควรควรดันต่อหรือไม่และโฆษณานี้ถือว่าใช้ได้หรือไม่มันก็ค่อนข้างจะคลุ้มคลุ้ะ น, น, นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราต้องจับประเด็นในได้ว่าการศาึกษาเป็นกระบวนการทางจิตเราจะพูดเรืงสมองเสมออะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการทํางานของจิตเท่า น, นั้นเด้งอย่างมากเนี่ย มันเป็นประสาทส่วนสมองที่เป็นเครื่องมือในการทํางานของจิตจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นหัวหน้าอย่างนั่นเองทีนี้จิตในทําหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาทางวัฏจสัมผัสหรือผ่านมาทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายแล้วก็จําไว้ภายในใจก็ เ, เรียกว่าสัญญาคือจําจําแล้วก็จะนํามาคิด คิดแล้วก็จะเกิดเป็นความรู้เป็นกระบวนการอย่างนี้วันความจำมัเป็นงานหลักของจิตเลยนะเป็นจิตธาตุในความคิดเป็นจิ น, นธาตุในการเก็บการสะสมหรือการจำเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้คนเราต้องได้จำแต่พูดได้ไงแม้แต่พ่อที่ยังไงก็ยังพูดไม่ได้เลยถ้าเราไม่จำชื่อพ่อ มันเป็นความคิดอะไรไม่รู้แหละก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่ตัวเองเออกมาพูดใจจอยจ้อยจ้อยจอ ย, จอ ย, จอ ย, จอยนี่ตัวเองจํามาหรือเปล่าแต่ไม่จำเนี่ยเอาจากไหนมาพูดมันเป็นการพูดซ้ํากับโ k o ของเก่าทั้งนั้นแหละไม่มีใครพูดใหม่เรกของเก่ามันมีอยู่แล้วเราก็มาพูดลําดับข้อความเสืใหม่อะไรต่อไรเนี่ยแต่ภาษาอักษรสระพยัญชนะสะกดการันวรรณยุกอะไรต่ออะไรมันมีอยู่แล้วทั้งนั้น ก็เป็นความบุ๋วหวาในกลมวิชาการมานานแล้วเคยตกเตียงกับคนระดับรองอธิบดีมาบอกว่ามันทายังไงอะ่ะเพราะตัวนี้มันเป็นงานของจิตจิตมีหน้าที่รับอารมณ์มีหน้าที่จำอารมณ์มีหน้าที่คิดอารมณ์มีหน้าที่รู้อารมณ์แล้วกระบวนการเรียนของพระพุทธเจ้าในยิ่งชัดเจนพระพุทธเจ้าวางไว้เป็นห้าระดับ รดับหนึ่งก็คือเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสดาติสองคือต้องจำเรื่องที่เรียนรู้ทางภาษาทสัมผัสเอาไว้ให้ได้มากมาเท่าไรยิ่งดีแต่นี้บางอย่างมันเป็นสูตรเป็นกฎเป็นหลักการที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราต้องจำถ้าไม่จำเราก็ทำไม่ได้บาคนที่ทำอะไรได้อยู่ทุกวันเนี่ยทำเมีความจำอะไนั้นนะถ้าไม่มีความจาทาไม่ได้หรอก เราสังเกตได้ลองมาทําเรื่องอะไรจะเขียนหนังสือสักตัวแต่เราไม่เคยจําตัวหนังสือนั้นเราเรียาเขียนได้หรือเปล่ามันก็เป็นความคิดที่สื่ออยู่ข้างเดียวนะเพราะว่าสปะสเะนี่ขามีเงินในการทําโฆษณาเนี่ยเยอะคนอื่นเขาไม่มีโอกาสไปพูดไปแสดงความคิดเห็นอะไรแต่เออเออกหอบหมกกะไปแ ล, ะละแล้วเวลาพูดเรลาแสดงน่ะก็ความจำนั่นแหละคนที่พูดที่แสดงก็แสดงถึงความจํานั่นแหละ แต่วเรายังดูเวลาเนี้ยมีการถามปัญหาอะไรต่างๆ ต, ตัวนี้ชัดเจนเรื่องจำทางนั้นไงนะเช่นปัญหาในเกมเศรษฐีปัญหาในแฟนพันแท้อะไรต่างๆซึง่งถือว่าเป็นวิชาการเนี่ย เ, เคยดูเขาหลายครั้งแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเขาใช้ความจำํำด้วยปัญหาธรรมะของกรมการาศาสนาที่จัดดังช่องอะไรรู้สึกจะช่องก้าวนะหรือปัญหาการบินไทยใครจั ก, กรวาลอะไรต่างๆ หรือแม้แต่อ q ค8 0ร้อยแปดสิบมันก็เรื่องความจำแล้านั้นไม่จำมันจะตอบได้อย่างไงมันมันต้องจำก่อนถึงจะเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นจิตเราในเหมือนกับโรงงานประสบการณ์ต่างๆในเหมือนกับวัตถุดิบวัตถุดิบจะต้องมากนะจึงจะผิดอะไรขึ้นมาได้ดี แต่ทีนี้สมมุติว่าวัตถุดิบมันมากแต่ว่าโรงงานไม่มีประสิทธิภาพมันก็ผิดอะไรไม่ได้เรื่องงานมีประสิทธิภาพแต่ไม่มีวัตถุดิบมันก็ผิดอะไรไม่ได้อีกแหละทั้งสองอย่างจะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงสามารถสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ในนี้พูดได้อะในภาคปฏิบัติทําไม่ได้หรอก เราต้องชัดเจนว่าจิตถ้าไม่จาแล้วแกจะคิดไม่ออกประเทศไทยเราเนี่ยเรามีตัวอย่างให้ชัดเจนว่ามีเรื่องหลายเรื่องที่เราไม่ไม่เคยเห็นเลยหมายความว่าจิตกรปฏิมากรเนี่ยไม่เคยเห็นภาพเหล่านั้นเช่นอะไรเช่นพญาน า, าคพญาครุฑราชสีตินาสีโคตเสศีศีอาีอะไ ร, ะะไรต่างๆเนี่ย กินนอนกินนารียอะไรก็ไดทั้งหลายเนี่ยจัดบายมาพผ่านเนี่ยมันก็อยู่ในวรรณคดีของพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงจรงิจรงๆในเรื่องดอนั้นเพราะเมื่อเราจาเป็นจะต้องเขียนจิตกรจำเป็นจะต้องเขียนปฏิมากรจำเป็นจะต้องปั้นเนี่ยท่านก็ทำในตามความรู้สึกปฏิมากรก็ปั้น โดยอาศัยโครงสร้างแบบจินตนาการพอจินตนาการเสร็แล้วปั้นไปแล้วเนี่ยถามว่าพยาครุกรูปร่างอย่างนี้ยมีจริงหรือเปล่านอกจากเขาปั้นเขาเขียนออกมันก็ไม่มีจริงพญานาคอย่างนี้มีจริงไหมมันก็ไม่มีจริงนะราชสีอย่างนี้มีจริงไหมก็ไม่จริงสิงโตมันก็ไม่รูปร่างไม่เป็นอย่างนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่า คนเกิดไปคิดนอกประสบการณ์แล้วไปทํานอกประสบการณ์ไปปั้นนอกประสบการณ์ไปเขียนนอกประสบการณ์แล้วก็กลายเป็นเรื่อง อ, อีปางหักมันเหมือนกับมา้ามีมังกรในเรื่องของสุสัชกรเรื่องของพระไฟมณีอะนะเราเชื่อว่าจริงสัตว์อย่างนี้ไม่มีในโลกนี้แต่ว่าคนไปจินตนาการขึ้นไปพูดก็พูดคือเป็นภาพพจน์นะฮะ หมายความเมาโพสในสร้างกันมาเป็นภาพได้คนก็เขียนเป็นมาเนี่ยบางก่อนจะถามภาษาตว์่เงี้ยมีไม่มีหรือไม่ถ้มไม่มีก็ก็ผมานความมาถ้าเราไม่จํานี่ยเราคิดไม่ได้เราทําไม่ได้เราพูดไม่ได้เราตอบไม่ได้เราจะต้องผ่านการจําจงเกิดเป็นความรู้ระดับต่างๆขึ้นมาเป็นความเข้าใจนะฮะความเข้าใจก็มีความจําอยู่เป็นไปนไม่ได้หรอกมนุษย์ที่ไม่จนะําเนี่ยจะมีใครพูดบางก่อนออกกฤษฎยู เขบอกคนไม่จําอย่างเป็นคนอยู่หรือเปล่าสัตว์เขาก็จำอะไรไมันก็ต้องจำเท่านั้นแหละไม่จามันจะอยู่ได้ยังไงจะทำได้ยังไงยิ่งภาษายิ่งต้องจําเลยจําเป็นประโยคด้วยแล้วก็จําเป็นศัพท์ด้วยนะะจำทั้งศัพท์ทั้งประโยกด้วยไม่จําก็ไม่ต้องเรียนกันข้อต่อไปถามว่า นับตั้งแต่โอนเงินค่ า, าหารกลางวันและเงินโครงการอาหารเสริมของเล็บนมไปให้อปปตาเด็กพร้อมลงอปปตอ้วนขึ้นหลวงพ่อคิดเห็นอย่างไรไอ้นี้ไม่ทราบข้อมูลนะแต่ว่าเราถ้ามองถึงลักษณะของงานแล้วเนี่ยว่าในเมื่อครูรับผิดชอบเด็กเนี่ยทําไมให้คนอื่นมารับผิดชอบเรื่องอาหารของเด็กทําไมไม่ครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือครูประจําชั้นนะ่ะรับผิดชอบในเรื่องอาหารของเด็กในชั้นนั้นๆ มันจะติดต่อประสานสัมผัสกันแล้วข้ออกเข้าใจกันอ่งถูกต้องอบตอเป็นคนนอกอบตอไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายการศึกษาอบตอเป็นฝ่ายบริหารท้องถิ่นซึ่งไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องแต่ยังไงไม่ทราบนะไอ้นี่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่าเราก็นึกไม่ออกว่าทำไมมันเกี่ยวข้องอบตอได้ยังไงทางทางที่ว่ามันเป็น เป็นงานของของของกระทรวงศึกษาธิการนะพูดง่ายๆว่าอบตถ้าพูดถึงสังกัดก็สังกัดกระทรวงมหาดไทยอะ่ะแต่ทําไมมาเอางานมาเอางานซึ่งเป็นเรื่องงานของกระทรวงศึกษาธิการแต่โดยเฉพาะ อ, ย, อ ย, ย่างยิ่งคือเยาวชนเนี่ยแม้จะเป็นลูกหลานของอบตอยู่บ้านก็ตามอแต่ว่าคนที่รับผิดชอบต่อความเจริญเติบโตของเธอเนี่ยก็คือครูกับพ่อแม่เขา แล้วก็มันไม่ใช่อยู่ระดับผู้ที่อบตจะมาต้องบริหารนะครับเพราะยังเป็นเด็กอยู่เท่านั้นเอง ก, ก็ถือเป็นเรื่องแปลกก็มีข่าวอะไรในทางไม่ค่อยจะดีอยู่ได้ยินข่าวอยู่บ้างเหมือนกันก็เข้าใจว่าคงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างกอต่อไปถามว่าผู้บริหารการศึกษาที่ชอบเอาอย่างต่างประเทศโง่หรือไม่ ท่านโง่อยากให้หลวงพ่อจับมาอบรมปฏิบัติธรรมอย่างนี้บ้างคือเขาไม่ได้คิดของโง่นะฮะเขถือว่าเขาเก่งก็ เ, เป็นนักเรียนนอกเขาเก่งก็พูดภาษาฝรั่งได้เขาสามารถทําอย่างฝรั่งได้อะไรต่ออะไรได้เนะี่ยแต่ที่จริงการศาึกษาในการพัฒนาบุาคลากรให้เหมาะสมแก่สภาแวดล้อมเด็กคนเหล่านั้นจะเรีนเติบโต คืออย่าลืมว่าเราครองชีพกว่าครองชีวิตเนี่ยเราครองชีพครองชีวิตอยู่ในท้ำกลางสังคมอีกสังคมหนึ่งแต่ว่าเราไปศึกษาไปลอกเรียนวิธีการแบบแผนของสังคมอีกสังคมหนึ่งเนี่ยในสุดมันปรับตัวลงกันยาก เ, ออเป็นเรื่องที่ที่น่าห่วงใ่แล้วก็แนวการออกแบบอย่างอย่างนี้เราเออกแบบเข้ามาตลอด ตั้งแต่สมัยอังกฤษฝรัร่งเศสแล้วต่อมาอเมริกาปัจจุบันเนี่ยปราญี่ปุ่นก็ออยังเอาอังกฤษฝรัร่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นเยรอรมันอิตาลีอะไรสเปน อ, อ, อะไรต่างๆเนี่ยออสเตรเลียตอนนี้ก็อาจจะไปทางออสเตรเลียบ้างแล้ทางเอเชียเราก็ไม่เคยเออกแบบจางเท่าไหร่หรอกปัญหาสําคัญว่าวิชาการเที่เก็ศึกษามาเนี่ย ก็ใช้เป็นหลักการในการครองชีพในไดหรือไม่และครองชีพได้ดีหรือไม่แต่ว่าเรียนมาแล้วไม่สามารถจะครองชีพได้ไม่สามารถจะครองชีพได้เนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์เพราะเราศึกษามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือบางอย่างเนี่ยเอาแบบก็ได้ไม่ใช่ว่าปฏิเสธร0อยเอร์เซ็นแต่ไม่ใช่ทุกอย่าง เรื่องอะไรเราต้องไปเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของอเมริกาเรื่องอะไรเราจะต้องไปเรียนพงศาวดารของอินเดียเรื่องอะไรเราจะต้องไปเรียนของอินเดียของอังกฤษของฝรั่งเศสนั้นมันเป็นวิชาประกอบเราหาความรู้เพิ่มเติมในตอนหลังได้แต่ว่าเอามาเรียนในชั้นเรียนเนี่ยมันไม่น่าจะเหมาะ แต่เราลองสังเกตว่าเด็กเขาจะเก่งเรื่องต่างประเทศเนี่ยมากกว่าเรื่องภายในประเทศคือฟังการบินไทยไขยจักรวาลเนี่ยเคยดูกว่หลายครั้งก็เออเวลาเป็นคําถามจะต่างประเทศ เ, เด็กจะตอบได้ดีกว่าภาษ า, าเครียดกับไทยเนี่ยปรากฏว่าตอบไม่ค่อยได้นั้นก็คือเรื่องอะไรคือโครงสร้างทางการจัด ก, การศึกษาเนี่ย มันไปนิยมทางตะวันตกให้ความสาคัญแก่ตะวันตกมากเกินไปแล้วก็ในที่สุดพอเราจบกางศาระไม่ได้ใช้อ่ะถึงที่เราใช้ชีวิตเราก็ใช้อยู่ในสังคมไทยอะครองตนครองคนครองงานครองเรือนครองสุขก็อยู่ในสังคมไทย บางสิ่งจะต้องรู้มากเป็นพิเศษก็คือต้องรู้ในเรื่องของสังคมของไทยเราเองเอ่อทำไมผู้ที่ออกพ ร, รบการศึกษาไม่คิดก่อนทำเช่นยึดเด็กเป็นสำคัญไม่ให้ตีเด็กเขาคงคิดนะฮะแต่เขาก็คงคิดว่าที่เขาคิดน่นคือถูกต้องที่สุดในโลกแล้วก็จึงออกมาในลักษณะอย่างนั้นแต่มาเองไม่เข้าใจนะฮะเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเนะี่ยยังยังไม่เข้าใจ เราก็สอนหนังสือมานานเหมือนกันนึกไม่ออกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางในหมายความว่าอย่างไง น, นั้นต้องเอาเนื้อหาวิชาที่เรียนนเป็นศูนย์กลางครูเข้าใจตรงกับนักเรียนโดยมีเนื้อหาวิชาเป็นหลักมันตรงมาสมนวนบาลีอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทิฏฐิชุกกรรมคือทําความเห็นได้ตรงกันตรงกลาตงาตามทํานองของธรรมในหลักการในวิชาการเรื่องนี้ก็าว่ายังไงเรื่องนี้เขาไ ว, ไว่ า, รราวยัางไงอันนี้บวกลบคุณหารแล้วเป็นยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ย มันสูบมันเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเอาซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ยางแปลกแล้วก็ฟังก็ตั้งหลายครั้งแล้วไม่เข้าใจนะไม่รู้ใครโง่กันแนะ่แต่เราไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าไม่ยอมรับเนื้อหาวิชาและไปเรียนมันทำอะไรตัเรวเนื้อหาวิชาเป็นแกนกลางใม่เจ้าเด็กเป็นศูนย์กลางต้งฟังทงั้งหลาย ได้วรวมมอพทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้โด้วยเวลาเป็นคราวนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้ อ, องามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี